สิ่งใดเกิดขึ้นกับเราเราจะทุกข์หรือไม่ทุกข์เราจะสุขหรือไม่สุขเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นนะแต่ขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาของเราต่อสิ่งนั้นสิ่งธรรมดาๆรรแต่ถ้าเรามีปฏิกิริยาในทางลบเมื่อเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ยกอย่างง่ายๆเนี่ย เกสรดอกไม้ละอองฝุ่นหรืออาหารธรรมดาธ ร, รมดาเช่นถั่วลิสงข้าวเจ้าเนี่ยสหรับบางคนเนี่ยพอสัมผัสไปแล้วนี่เกิดอาการแบบป่วยเลยนะที่เราเรียกว่าแพ้จะมีการผื่นคัน หรืออะถึงหายใจไม่ออกจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะสิ่งเหล่านั้นนะละอองฝุ่นเกสรดอกไม้นี่มันก็ไม่ได้เหมีอนันตรายอะไรถั่วที่สรงก็เหมือนกันนะแต่ว่าปฏิกิริยาของร่างกายเราเนี่ยโดยเฉพาะภูุ่งคุ้มกันเนี่ยมันในร่างกายเรามันเกิอดอาการต่อต้านเกิดปฏิกิริยาอย่างรุนแรง ในลักษณะที่ไม่ยอมรับก็เลยทำให้เกิดความเจ็บป่วยขึ้นมาบางทีถึงกับล้มหมอนนอนเสือเลยทีเดียวอันนี้มันเป็นเรื่องที่เรานะสามารถจะสังเกตได้นะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา เราจะแย่หรือไม่นันก็ขึ้นอยู่กับว่าร่างกายเรามีปฏิกิริยากับสิ่งนั้นอย่างไรมันไม่ใช่แค่ร่างกายเดียวนะจิตใจก็เหมือนกันนะของบางสิ่บางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ดูดูไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าใจเราเนี่ยนะมีอาการต่อต้านก็เกิดทุกข์ขึ้นมาทันทีเลยนะ อย่างเช่นบางคนเนี่ยกลัวกลัวเข็มฉีดยากลัวลูกโปง่งลูกโป่งมันไม่มีอะไรเลยนะไม่เป็นตรายเลยเลยแต่พราะใจเนี่ยมันเกิดอาการต่อต้านผักใสแค่เห็นนั้นก็จะเป็นลมเลยนะไอ้ความทุกที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เพราะสิ่งนั้นนะ แต่เป็นเพราะใจของเรามันไม่ยอมรับมันต่อต้านผักใสเกิดความกลัวขึ้นมาแล้วคนเรา ก, กลัวอะไรต่ออะไรได้ร้อยแปดไม่ใช่เฉพาะกลัวสัตว์ร้ายเช่นงูพิษแม้สิ่งธรรมดาธรรมดาก็ถ้ากลัวเมื่อไหร่ต่อต้านเมื่อไหร่ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเมื่อนั้น หรือบางอย่างเนี่ยพอสัมผัสเข้าความทุกข์มันก็เพิ่มขึ้นเลยนะอย่างคนที่กลัวเข็มเนี่ยเขาพราะว่าเนี่ยถ้าโดนเข็มจิ้มเนี่ยนะจะรู้สึกปวดเป็นสามเท่าของคนที่ไม่กลัวแปลว่าความกลัวเนี่ยมันทำให้ความเจ็บปวดเนี่ยคูณสาม คนที่ไม่กลัวโดนเข็มจิ้มก็ปวดแค่หนึ่งส่วนแต่ถ้ากลัวเนี่ยพอโดนเข็มจิ้มเข้าไปเนี่ยความปวดก็เพิ่มขึ้นเป็นอีกสองส่วนรวมเป็นสามแล้วบางครั้งความทุ่งคนเราเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเพราะเหตุนเนี่ยนะเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาในทางลบโดยว่าของจิตใจ มีเสียงมากมายเลยนะที่ถ้าเราไม่รู้สึกลบ ก, กับมันเนี่ยเราก็ไม่ทุกข์นะแต่พอเรามีปิติเกลียไรทางลบเช่นผักไสไม่ยอมรับเนี่ยมันทุกข์มากเลยเช่นเกิดความเครียดเกิดความหงุดหงิดเกิดความโกรธขึ้นมาเสียงมอเตอร์ไซ์ เสียงคนพูดคุยกันในห้องประชุมเสียงริงโทนจากโทรศัพท์มือถือจริงๆมันไม่ไทําให้เราทุกข์นะแต่ที่ทุก์เพราะใจเราต่างหากที่ไปรู้สึกรบกันมันมีอาการผักสายต่อต้านอันนี้รวมถึงเสียงต่อว่าด่าทอเนยนะเสียงต่อบว่าด่าทอนี้ไม่ได้ทให้เราทุกข์นะไม่ทำให้เราโกรธ แต่เป็นพราะเรานะไม่ชอบเรามีปฎิกิรยาในทางลบเราจึงเกิดความทุกข์มีเรื่องเล่านะเกี่ยวกับในสามก๊กเนี่ยตอนที่คงเบ้งกับจิวยี่ร่วมมือกันเพื่อที่จะปราบนะทำลายกองทัพของโจโฉพอทำสำเร็จเนี่ยจิวยี่ก็ วางแผนกำจัดขงเบ้งแต่คงเบ้งก็รอดตัวมาได้เพราะรู้ล่วงหน้าแล้วดักทางถูกพอรอดตัวมาได้คงเบ้งก็เขียนจดหมายไปถึงจิวจี้จิวจี้อ่านนะไม่ทันจบเลยกระอักเลือดป่ว ย, ยแล้วก็ตายในเวลาต่อมาถามว่าที่จิวจี้ป่วยเนี่ยจนกระจนกระอักเลือดเนี่ย เป็นเพราะจดหมายหรือเปล่าไอ้จดหมายข้อความที่มันมีเนื้อหาเศษสีเยอยหยันมันไม่สามารถทําให้ร่างกายจิวยี่เนี่ยนะกระอักเลือดได้นะแต่ที่จิวยี่กระอักเลือดได้เพราะอะเพราะความโกรธความโกรธที่มีต่อเนื้อหาข้อความในจดหมายปฏิกิริยาของจิวยี่เนี่ยนะในทางจิตใจเนะี่ยที่มีต่อเนื้อหา ข้อความตัวอักษรในจดหมายของคงเปง น, นี่ยต่างหากที่ทําให้จิวยี่นี่กรากเลือดคนนี้ไม่ได้จิวยี่อ่านจดหมายก็เฉยๆนะอาตมาอ่านจดหมายของคงเป้งก็เฉยๆเพราะไม่มีปฏิกิริยาในทางลบต่อข้อความในจดหมายนั้นแต่จิวยี่ไม่ใช่นะความรู้สึกต่อต้านไม่ยอมรับความรู้สึกโกรธมันทําให้ เขากากเลือดจนตายมันไม่ใช่ข้อความในจดหมายนะเช่นเดียวกันนะเวลาตอนที่จือตอนที่คงเบ่งไปไปเผชิญหน้ากับอองลองซึ่งเป็นขุนพลของโจโฉเนะี่ยคงเป่งก็กล่าวข้อความหลายข้อความทีเดียวนะเพราะว่าอองลองนี่ฟังแล้วหัวใจวายตายเลย ไอ้ถ้อยคําของคงเบงเนี่ยมันมันเลวร้วายขนาดนั้นช่วยเหลือมันทําให้หัวใจวายได้หรือมันทําไม่ได้นะแต่ความโกรธขององหลงมันทําได้ความโกรธขององหองที่มีต่อคําพูดของคงเบ้งมันทําให้องหลงนี่หัวใจวายเลยเพราะความโกรธเพราะความอับอายปจิกิริยาขององหลงต่างหากนะที่มันทําร้าย ร่างการจิตใจเขาจนตายมันไม่ใช่ถ้อยคำของคงเบ้งในทางตรงข้ามนะคงเบ้งเนี่ยพอเขียนจดหมายไปถึงสุมาอี้เพราะสุมาอี้ไม่ยอมยกทัพออกมาสู้กับคงเบ้งผมก็เขียนจดหมายร้อเลียนหรือว่าดูถูกเหยียดย้มว่า ทำตัวเหมือนสตรีส่งเสื้อชุดผู้หญิงไปให้สุมาอี้สุมาอี้หัวล่เลยไม่กระักเลือดตายไม่หัวใจวายตายเพราะอะไรเพราะเฉยเฉยพอปฏิกิริยาของสุมาอี้เนี่ยมันเฉยเฉยหรือนึกขำเนี่ยท้ายของเบงก็แพ้สุมาอี้เนี่ยสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราทุกข์นะ แต่สิ่งที่ทำให้เราทูกคือความรู้สึกของเราต่อสิ่งนั้นนี่เป็นสิ่งที่คนมักจะมองข้ามและมันไม่ใช่แค่เสียงไม่ใช่แค่ถ้อยคำทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็ได้ว่าก็ว่าได้นะที่ถ้าเรารู้สึกลบกับมันหรือว่ามีท่าทีไม่ถูกเนี่ยมันก็ทำให้เกิดทุกข์ขึ้นกับเราได้ อันนี้เราไปถึงเวลาเราปฏิบัติรำจเจริญสตินะแล้วมันมีความคิดมันมีอารมณ์เกิดขึ้นหลายคนเนี่ยเป็นทุกข์เพราะความคิดมันฟุ้งซ่านมันเยอะเหลือเกินเป็นทุกข์เพราะอารมณ์นานาชนิดเกิดขึ้นที่จริงความคิดและอารมณ์เรานะี่ยไม่ได้ทําให้เราทุกข์นะแต่สิ่งที่ทําให้เราทุกข์คือใจที่ไม่ชอบ ต่อความคิดและอารมณ์มันผักสมันไม่ยอมรับนะเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นหรือเมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นความคิดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะที่เราเรียกมันว่าความฟุ้งซ่า น, นหรืออารมณ์ที่เราเรียกว่าความหงุดหงิดจริงมันไม่ได้เป็นปัญหานะสิ่งที่เป็นปัญหาคือ ปฏิกิริยาของใจเราที่มีต่อสิ่งนั้นไม่ยอมรับไม่ชอบไอเป็นเพราะเราคาดหวังว่ามาปฏิบัติแล้วมันต้องไม่มีความคิดเกิดขึ้นมันต้องไม่มีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นพอเราตั้งตั้งตัวเป็นหรือตั้งจิตเป็นปฏิปักษ์ต่อความคิดและความคิดและความฟุ้งซ่านพอมันเกิดขึ้นก็เลยไปผักใสมันสุดท้ายเนี่ยความทุกข์ก็เกิดขึ้นกับ ใจเราเองแล้วเราก็ไปโทษนะเป็นเพราะความคิดมันเยอะหรือเกินเป็นเพราะความหงุดหงิดมันเกิดขึ้นมันได้ยังไงเวลาไม่ปฏิบัติไม่เห็นเกิดเลยเวลามาปฏิบัติทําไมเกิดขึ้นจริงอ่ะปัญหามันไม่ใช่ตัวความคิดฟุ้งซ่าหรือความหงุดหงิดแต่เป็นเพราะปฏิกิริยาของใจเราคือการไม่ยอมรับคือการปฏิเสธมัน แต่สมมติถ้าเกิดว่าเรา ท, าทันที่เรายอมรับมันได้นะเออจะเกิดก็เกิดไปวางใจเป็นกลางต่อสิ่งนั้นมันก็ไม่ทุกนะและนี่แหละนะคือสิ่งที่เรามาฝึกนะคือฝึกใจให้ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกให้รู้ซื่อๆรู้ซื่อๆหรือรู้เฉยๆนี่คือนี้แหละคือเพื่อฝึกให้เรา เฉยๆนะต่อความคิดและอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเฉยๆเกิดขึ้นได้เพราะยอมรับมันยอมให้มันเกิดขึ้นได้ไม่ผักใสไม่รังเกียจไม่ต่อต้านพอเราปรับใจตรงนี้ได้นะใจเราจะสงบขึ้นเยอะเลยนะความคิดก็ยังมีอยู่แต่เราไม่เด่ว่ัความฟุ้งซ่านแล้วอาจจะมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นพระเผลอ เผลอไปนะเผลอไปรู้สึกลบก่อความคิดที่เกิดขึ้นแต่พอเราเห็นความงุนงิดเรายอมรับมันได้ไม่ผักสายมันมันก็ไม่ทุกนะแต่ทันทีที่เราไปรู้สึกลบกับมันนะไปผักสายไม่ยอมรับทุกเลยนะและบางคนเนี่ย พอมีความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็รว่าตัวเองโกรธเนี่ยมันยอมรับไม่ได้นะยอมรับไม่ได้ว่าฉันโกรธได้ยังไงก็เกิดความทุกซ้อนขึ้นมาเกิดความผิดหวังในตัวเองว่าเนี่ยฉันเป็นคนดีทำไมฉันโกรธพ่อโกรธแม่โกรธครูคบาอาจารย์หรือพอมีความคิด ในทางลบต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เกิดทุกข์ขึ้นมาว่าฉันคิดอย่างนี้กับปุพกการีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ไงฉันเป็นคนดีมันยอมรับไม่ได้ยอมรับไม่ได้กับความคิดและอารมณ์เหล่านั้นก็ยิ่งทุกข์ข้นไปใหญ่อันนี้แล้วว่าทุกซ้อนทุกเนะ หรือบางคนเนี่ยพอเห็นความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่พอใจความโกรธพยายามกดข่มมันไม่ยอมรับทนมันไม่ได้ที่มันมีความโกรธเรียกว่าโกรธซ้อนโกรธนะโกรธโกรธความโกรธนะเป็นเงินเยอะเลยโดยเฉพาะนักปฏิบัติโกรธความโกรธหงุดหงิดมีความหงุดหงิดที่ ตัวเองเนี่ยเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาให้ทําไมฉันหงุดหงิดได้ยังไงน ะ, ะนี่เรียกว่าหงุดหงิดซ้อนหงุดหงิดหรือว่าหงุดหงิด ต, ต่อความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นอันนี้พอไปไปคิดว่าเนี่ยฉันไม่ควรหงุดหงิดฉันไม่ควรโกรธคือยอมรับความหงุดหงิดไม่ได้ยอมรับความโกรธไม่ได้ พอยอมรับความหงุดหงิดไม่ได้พอยอมรับความกลัวไม่ได้ก็เกิดความรู้สึกลบเกิดความหงุดหงิดต่อความหงุดหงิดเกิดความกลัวต่อความกลัวหรือว่าหงุดหงิดซ้อนหงุดหงิดกลัวซ้อนกรัวซึ่งเท่ากับยิ่งเพิ่มทุกข์ให้เพิ่มทุกข์ให้กับจิตใจตัวเองการปฏิบัติก็เลยไม่เป็นสุขเพราะว่าสิ่งสําคัญเนี่ยก็คือไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจอาจเป็นพรอะมีความคาดหวังว่ามันต้องไม่เกิด แต่ตอนที่เราคาดตอนที่เรายอมรับมันได้นะมันเกิดก็เกิดไปมันเกิดขึ้นได้ฟ้องสร้างความเงินเงินอันยื่ให้ตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกแบบนี้ได้หรือยอมให้มีความรู้สึกแบบนี้ใน ใ, นใจได้เนะี่ยมันก็จะทุกน้อยลงน่าสำคัญมากเลยนะว่าเวลามีอะไรเกิดขึ้นกับกายหรือใจเราเนี่ยเรายอมรับมันได้แค่ไหน ถ้าเรายอมรับไม่ได้นี่มันจะเป็นการเพิ่มซ้ําเติมความทุกข์ให้กับตัวเรามากขึ้นนะยอย่างบางคนเนี่ยป่วยเนี่ยนะมีทุกขเวทนาทางกายเนี่ยยอมรับไม่ได้นะมีอาการต่อต้านผักสายความปวดมันก็เลยเกิอดอาการดิ้นในใจนะจิตดิ้นจิตมันดิ้นนะเพราะว่ามันยอมรับความเจ็บปวดไม่ได้ มันเขาเรียกว่าเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาหรือความป่วยใจขึ้นมาคนส่วนใหญ่เวลาป่วยกายแล้วเนี่ยมันจะตา ม, มด้วยการป่วยใจเพราะใจมันยอมรับความเจ็บปวดหรือเจ็บป่วยทางกายไม่ได้มันก็เลยเกิดอาการดิ้นเกิดาการดิ้นลนผักไสเท่า น, นี้ก็แย่แล้วนะป่วยกายป่วยใจแต่บางคนหนักกว่านั้นนะ พอจิตมันดิ้นเนี่ยยอมรับไม่ได้ที่จิตมันดิ้นเพราะว่าฉันเป็นนักปฏิบัติทมทำไมฉันทุกข์ใจแบบนี้จั้งทุกปฏิบัติมาทำไมการปฏิบัติไม่ช่วยทำให้ฉันหายทุกข์ทำามไม่ช่วยทำให้จิตสงบนะพอจิตมันดิ้นแบบนี้เนี่ยยอมรับไม่ได้ผิดหวังกับการปฏิบัติของตัวว่าการปฏิบัติไม่ส่งผล ยอมรับไม่ได้ที่การปฏิบัติเนี่ยมันไม่ทําให้ตัวเองเนี่ยสงบนะรู้สึกล้มเหลวแล้วก็ยอมรับความล้มเหลวของการปฏิบัติไม่ได้แค่นี้ก็แย่แล้วนะก็ยังรู้สึกต่อไปอนะว่าเราเรามันแย่เรามันล้มเหลวยอมรับความล้มเหลวของตัวเองไม่ได้มันก็เลยเกิดความทุกซ้อนหลายซ้อนเหลือเกินนะคือป่วย กายแล้วก็ป่วยใจเพราะว่ายอมรับความป่วยไม่ได้แล้วก็ทุกข์ใจที่พ่อผิดหวังที่การปฏิบัติไม่ช่วยทำให้ใจนี่มันหายทุกข์แล้วก็รู้สึกแย่ที่ตัวเองปฏิบัติล้มเหลวมันมีการลงโทษตัวเองมีการยอมรับตัวเองไม่ได้ แต่ถ้าเกิดว่ายอมรับได้นะเรื่องแต่ยอมรับความปวดที่เกิดขึ้นถ้ายอมรับความปวดที่เกิดขึ้นได้เนี่ยความทุกข์ใจมันก็จะน้อยลงจิตมันก็จะไม่ดิน้นหรือถึงแม้จิตมันเผลอดิ้นนะยอมรับได้ว่าเออเรายอมรับอาการของอาการที่จิตมันดิ้นได้ยอมรับได้ว่าเ อ, อเราทำได้เท่านี้ ยอมรับว่าเนี่ยการปฏิบัติเรามันก็ช่วยเราได้แค่นี้แหละหรือเมื่อเสือตัวเองล้มเหลวก็ยอมรับว่าตัวเองล้มเหลวมันก็จะช่วยลดความทุกข์ไปได้เยอะเลยแต่หลายคนเนี่ยมันมีความทุกซ้อนกันหลายชั้นเหลือเกินเพราะการที่ไม่ยอมรับคนธรรมดาก็อาจจะป่วยกายป่วยใจป่วยใจเพราะยอมรับความ เจ็บปวดทางกายไม่ได้แต่ว่านักปฏิบัติธรรมเนี่ยบางคนนี่จะจะมีทุกซ้อนกันไปอีกนะยอมรับไม่ได้ว่าใจมันทุกข์ยอมรับความทุกข์ใจไม่ได้เพราะว่าตัวเองเคยเพราะตัวเองทุ่มเทาการปฏิบัติมาทำไมการปฏิบัติไม่ช่วยเราเลยรู้สึกการปฏิบัติที่ตัวเองทำมามันล้มเหลวแล้วก็ยอมรับความล้มเหลวไม่ได้ พอไม่ยอมรับเนี่ยมันความทุกข์นี่มันตามมาเป็นขบวนเลยหรือว่านคนที่คาดหวังกับตัวเองหรือคาดหวังจากการปฏิบัติมากจากนั้นที่เรายอมรับได้นะเริ่มยอมรับจากความป่วยกายให้ได้หรือว่ายอมรับความป่วยกายไม่ได้แต่ว่ายอมรับได้ว่าเออยยอมรับอาการดิ้นของใจเพราะว่าเรา ไม่ได้ปฏิบัติมามากพอมันก็จะช่วยลดความทุกข์ไปได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่อยากซ้ําเติมตัวเองหรือเพิ่มความช่วยให้กับตัวเองเนี่ยสิ่งสําคัญคือการรู้จักยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นหรือยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเริ่มต้นจากการยอมรับในความ คิดฟุ่งร้านหรืออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติที่คำว่าที่การสอนให้รู้ซื่อมันสำคัญเพราะมันช่วยทำให้เรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจได้ยอมรับคือไม่ลังเกียไม่ผักใสแค่ดูมันเฉยเและถ้าเราฝึกใจให้สามารถยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจได้ ต่อไปมันก็ง่ายที่จะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายเวลามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ยอมรับมันไม่ดินน้นรนไม่ผักสายก็แค่ดูมันเฉยๆเห็นมันแต่ถ้าผักสายเมืนะ่อไหร่นก็จะทุกเลยนะแต่คนไม่ค่อยสังเกตนะว่าไอ้ความทุกเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอาการผักสายหรือปฏิกริยาในทางลบ ไปโทษว่าไอ้ทุกขเวทนาหรือความปวดเนี่ยคือสาเหตุแต่ที่จริงที่มันสร้างความทุกขให้กับแล้มากกว่าก็คือใจที่ไม่ยอมรับนะทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นนําไปสู่การผักใสแต่ถ้าเราเริ่มยอมรับนะความคิดที่เกิดขึ้นยอมรับอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้ไม่ผักใส่ไม่กดข่มต่อไปเราก็จะยอมรับเวทนาที่เกิดขึ้นโดยเพราะทุกขเวทนา แล้วก็ทำให้เราสามารถยอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้ถึงเวลาที่เราแก่เราป่วยเราก็ยอมรับได้ถ้าคนเรายอมรับความป่วยยอมรับความแก่ได้นี่มันลดความทุกข์ไปได้เยอะนะหรือยอมรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแม้ว่าใหม่ๆก็ จ, จะโวยวายตีโพย ต, ตีพายแต่ตอนหลังก็ยอมรับได้ การยอมรับก็ทําให้เกิดการปล่อยวางแล้วมันทาให้แม้จะเสียก็เสียแต่ทรัพย์นะแต่ว่าใจไม่เสียมันจะช่วยบรรเทาความทุกข์ไปได้เยอะเลยแต่ที่คนรอทุกข์แล้วก็ซ้ําเติมตัวเองก็เพราะการที่ไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นลองปรับใจยอมรับนะว่าอนุญาตให้มีสิ่งที่ไม่ถูกใจเกิดขึ้นกับเราได้ เวลามีใครมาต่อว่าเราเราก็ยอมรับได้ว่าอันนี้เป็นธรรมดามีบางคนนะเป็นทุกข์มากเลยทวงติงเจ้านายจะอยู่ม่ไทวงหรอแค่ถามเฉยๆเจ้านายนี้นึกว่าลูกน้องไม่พอใจหรือว่าไม่ ไ, มไว้วางใจตอบกลับแว้งกลับ เจ้านายไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนพอทาเข้านี่โอ๊ยเธอก็เสียใจไปเลยนะแต่ตาลังก็ทำใจได้แต่ทำใจได้ดีขึ้นถ้ายอมรับนะหรือยอมให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับตัวเราได้ยอมได้นะที่เจ้านายจะหลุดหรือเผลอใส่เราถ้าคิดว่าเนี่ยในสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ เราอ น, นุญให้เกิดขึ้นได้กับช่วยของเรามันก็จะทุกน้อยนะไอ้ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเพราะเราไม่ยอมให้สิ่งที่ไม่ถูกใจเรามันเกิดขึ้นเช่นเดียกับที่เราไม่ยอกรับความแก่ไม่อยอกรับความป่วยไม่ยอกรับความสูญเสียมันจึงทุกเนี่ยเมื่อเกิดสิ่งนั้นขึ้นและที่ไม่ยอมรับก็เพราะว่าความยึดติดถือมัน่น ในสิ่งที่มันยึดติดถือมั่นไม่ได้แล้ถ้าเราฝึกใจนะให้ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นได้เพราะมันจะช่วยลดความทุกข์ไปได้เยอะเลยและต่อไปเนี่ยไม่ใช่แค่ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นได้เท่านั้นนะแต่ว่าอนุ ญ, ญาตให้สิ่งที่ไม่ถูกใจเกิดขึ้นได้ด้วยไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นคำต่อว่าด่าทอความสูญเสียถ้าเรายอมให้มันเกิดขึ้นได้ ถึงวเวลามันเกิดขึ้นเราก็จะยอมรับมันได้ง่ายขึ้นไม่ใช่แค่ความสูญเสียต่อไปเป็นความเจ็บความป่วยความแก่และเมื่อถึงเวลาที่ความตายมาถึงเราก็ยอมรับมันได้มากขึ้นในการที่เรายอมรับสิ่งที่ไม่ถูกใจที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเนี่ยหรือตระหนักว่าเหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันไม่อยู่ที่สิ่งภายนอกหรือสิ่งใดแต่มันอยู่ที่ใจเรา ที่ไม่ยอมรับถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยก็าเราเข้าเข้าเข้าใจธรรมะได้มากขึ้นแต่ไม่ว่าเราจะปฏิบัติแค่ไหนนะแต่ตากายที่เรายังไม่สามารถทาใจยอมรับสิ่งที่ไม่ถูกใจก็ยังเรียกว่ า, ายังห่างธรรมะอยู่นะหรือตาดายที่เรายังคิดว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากสิ่งภายนอก ไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เรารู้สึกลบกับมันหรือว่าไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเรามองไม่เห็นตรงนี้เนี่ยก็ยังเรียกว่ายังห่างไกลนะยังห่างไกลธรรมะถึงแม้เราจะรู้ธรรมะเยอะนั้นการฝึกใจให้ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันมันมันเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติธรรมที่จะพาเราเข้าถึงแก่นของธรรมได้ พอทายยอมรับเท่าไหร่มันก็จะยึดมันก็จะยึดมั่นถือมันได้น้อยลงแล้วมันก็จะปล่อยวางได้มากขึ้นเท่านั้น